เจริญสุขโยม <c oughs> ตอนนี้อาตมาก็พยายามจะพูดในเรื่องของภาควิปัสสนาภาควิปัสสนาในการยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาหลังจากจิตได้ถอนออกจากสมาธิแล้ว ในการยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาต้องให้ถอนออกจากสมาธิก่อนในระหว่างที่จิตสงบเป็นสมาธินั้นบอกแล้วว่าอย่าไปพิจารณาเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นให้จิตเขาสงบอย่างเดียวทั้งนี้เพื่อให้จิ ต, เ ก, จตเกิดพลังจิตเกิดพลังจิตเพื่อเตรียมที่จะ ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเพื่อที่จะามาเพ่งมาเพ่งดูรูปนามขันห้าในการเพ่งดูรูปนามขันห้าในที่นี้พระสมณพุทธเจ้าให้เราเอารูปนามขันห้าของลมหายใจเข้าออกเพราะว่าตามปกตินั้นลมหายใจเข้าออกนั้นหนึ่ง มันเป็นส่วนหนึ่งของกายเพราะในการพิจารณาเราก็ให้จิตอยู่ภายในกายนี้ไม่ให้จิตออกไปข้างนอกกายและประการที่สองรูปนามขันห้าของลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นปัจจุบันตลอดเวลาตามปกติปัญญาที่จะให้เกิดในภาควิปัสสนานั้นจะต้องเป็นปัญญาที่ เห็นรูปนามเห็นพฤติกรรมของรูปนามขันห้าที่กำลังเกิดในปัจจุบันประจักษ์เฉพาะหน้าเกิดเฉพาะหน้าในปัจจุบันปรากฏเฉพาะหน้าในปัจจุบันไปเห็นอดีตก็ไม่ได้ไปเห็นอนาคตก็ไม่ได้ต้องเอาปัจจุบันรูปนามขันห้าปัจจุบัน แล้วก็ลมหายใจของคนเรามันมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงใหเอาร่มหายใจเข้าออกแม้แต่พระองค์เองพระองค์ก็ใช้ลมหาย <c oughs> ลมหายใจเข้าออก <c oughs> เมื่อเราเห็นรูปนามขันห้าของลมหายใจเข้าออกเป็นอย่างไรแล้วเราอนุมานได้เลยแอซูมได้เลยว่ารูปนามขันห้าทั้งหมด เหมือนกันพฤติกรรมมันจะเหมือนกันทั้งหมดมันมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดมันใหเอารูปนามขันหน้าของลมหายใจเข้าออกแต่เราก็อย่าไปหมายเอาว่านั้นเป็นลมหายใจถ้าไปหมายอารมว่าเป็นลมหายใจเมื่อใดเมื่อนั้นยังเป็นสมมุติยังเป็นสมมุติยังเป็นบัญญัติโดยประมาทแล้วมันไม่มีชื่อเรียกทั้งนั้น ไม่ชื่อเรียกว่าเป็นลมหายใจมันเป็นเพียงแค่รูปประธรรมกับนามมาธรรมนี่ข้อสำคัญมันผิดกันตรงนี้นะโยมนะต้องแยกกันระหว่างสมมติกับปรมาทัศน์ถ้ามันเป็นชื่อเรียกต่างๆอย่างทางโลกเรานั้นอันนั้นมันเป็นสมมุติสมมุติทั้งหมดลมหายใจก็เป็นสมมุติถา้าเป็นปรมาัตน์แล้วมันเป็นเพียงแค่รูปกับนามรูปกับนาม ทำไมพระเจ้าจึงให้เราฝึกมองทุกอย่างเป็นรูปกับนามอย่าลืมว่าสักยะทิฏฐิความเห็นผิดของคนเราอันดับแรกก็คือเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาใช่ไหมถ้าตราบใดยังเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ตราบนั้นมันยังเป็นสมมติอยู่ ยังเป็นสมมุติอยู่เมื่อยังเป็นสมมติเราเห็นเป็นสมมุติเราทุกวันนี้เราติดในสมมุติอยู่เราไปติดในสมมุติอยู่ถ้าเรามองเห็นเป็นสมมุติมันก็ติดในสมมุติอยู่นั่นแหละต้องมองให้เห็นเป็นปรมัจา์มองให้เห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นนามเพราะฉะนั้นนี่แหละประการแรกที่พพุทธเจ้าในเรื่องของ วิปัสนาญาณอย่างไรก็ตามเราจะต้องเอาวิปัสนาญาณมาเป็นตัวตั้งในภาควิปัสนาเราจะต้องให้เกิดปัญญาตามภาควิปัสนาญาณ น, นั้นเราก็ต้องเอาวิปัสนาญาณมาเป็นตัวตั้งนั้นก็คืออย่างวิปัสนาญาณที่หนึ่งท่านบอกว่านามรูปะปริเฉทยาน แยกรูปแยกนามคือหมายความว่าเราพยายามมองทุกอย่างมันเป็นแค่เพียงแค่รูปแค่นามเท่านั้นปรมัติตเป็นแค่รูปแค่นามเสร็จแล้วท่านก็ให้เรามาแยกรูปแยกนามประการแรกคือให้เราแยกว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามให้ชัดเจนมันต่างกันนิดเดียวว่านามนั้นเป็นธาตรู้เป็นสภาพรู้ รู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยินรู้ว่าได้กลิ่นรู้ว่าได้รสรู้ว่าสบายหรือไม่สบายรู้ว่าสิ่งนี้เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าเคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่าถ้าเคยเห็นมาก่อนเคยได้ยินมาก่อนเป็นอะไรนี่รู้จําได้รู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจนั่นเป็นนาม เป็นนามพูดง่ายๆก็คือนามวิญญาณนามเวทนานามสัญญานามสังขารนั่นเองทั้งหมดนั้นเป็นนามส่วนรูปนั้นรู้อะไรไม่ได้เลยรู้อะไรไม่ได้เลยรูปนั้นเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปดับไปรูปในขันห้านะรูปในขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ ดับไปเรียกว่ารูปนั้นมีแต่แตกสลายอย่างเดียวนี่รูปเพราะฉะนั้นก่อนอื่นในเรื่องของวิปัสสนาพระสมชามพระเจ้าให้เราเข้าไปอย่างรู้อย่างเห็นในยานที่หนึ่งนามรูปปริเฉตยานแยกรูปแยกนามให้ได้การแยกรูปแยกนามก็คือประการแรกนี่แหละแยกว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนาม นั่นก็คือรูปนามของลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ดีลมหายใจออกก็ดีเป็นรูปลมเป็นรูปความรู้สึกว่านี่ลมหายใจเข้าความรู้สึกว่านี่ลมหายใจออกอันนี้เป็นนาม ทำนองเดียวกันสีที่ตาเห็นสีที่ตาเห็นที่ถูกตาเห็นเป็นรูปความรู้สึกว่าเห็นเป็นนามเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามกลิ่นเป็นรูปได้กลิ่นเป็นนามรสอาหารเป็นรูปได้รส ได้ลิ้มรสเป็นนามสิส่งที่มากระทบทางกายทั้งหมดเป็น an, รนูป ค, ค, ความรู้สึก <N> ว <aman> ่ามีสิ่งมากระทบทางกายไม่ว่าจะเป็นความเย็นก็ดีความร้อนก็ดีความอ่อนก็ดีความแข็งก็ดีความตึงก็ดีความไหวก็ดีที่มากระทบทางกายเป็นรูปทั้งหมดความรู้สึกเป็นนามความรู้สึกเป็นนาม แยกรูปแยกนามให้ได้อย่างนี้แยกรูปแยกนามให้ได้อย่างนี้ธรรมารมสิ่งที่มากระทบทางใจบางอย่างบางอย่างเป็นรูปบางอย่างเป็นนามถ้าเราคิดถึงในเรื่องของบ้านในเรื่องของสถานที่ทุกอย่างคิดถึงวัตถุทุกอย่างธรรมารมมันั้นเป็นรูป แต่ถ้าเราคิดไปในเรื่องของความเจ็บความปวดความดีใจความเสียใจต่างๆเป็นนามธรรมอารมณ์นั้นเป็นนามเพราะฉะนั้นธรรมอารมณ์นั้นมีทั้งรูปมีทั้งนามมีทั้งรูปมีทั้งนามเพรฉะนั้นต้องแยกรูปแยกนามอย่างนี้ให้ได้นี่คือการแยกรูปแยกนามขั้นต้นการแยกรูปแยกนามขั้นที่สองต่อมาก็คือ ตอนที่เราทำสมาธิเนี่ยพอจิตสงบเป็นสมาธิมากๆเราจะมีความรู้สึกว่าเนื้อตัวมันเบาลมหายใจก็แผ่วเบาจนกระทั่งในที่สุดลมหายใจขาดวุดหายไปรูปดับรูปดับกายดับเพราะว่าตามปกติลมหายใจมันแต่งกาย กขเรีกว่ากายสังขารกายสังขารลมหายใจนี่เป็นตัวที่แต่งกายอเป็นตัวที่แต่งกายหรือเป็นสังขารของกายเมื่อลมหายใจดับกายดับขณะนี้มีแต่จิตผู้รู้อย่างเดียวนี่แสดงว่าแยกรูปแยกนามแล้วแยกนามออกจากรูปแยกนามออกจากรูปอืม ที่พระพุทธเจ้าให้เราเข้ามาถึงจุดนี้ก็เพื่อให้เรารู้ว่าในขณะที่เราสามารถดับกิเลสได้หมดจิตของเราเข้าสู่แดนพระนิพพานแล้วก็บอกว่าในชาตินี้เท่านั้นที่ยังมีขันห้าอยู่พอขันห้าตายในชาตินี้แล้วจิตเข้าสู่แดนพระนิพพานถาวร บางคนก็เข้าใจว่าสงสัยว่าเอ๊ะจิตไม่มีขันห้าแล้วจะอยู่ได้อย่างไรถ้าจิตเราสงบถึงขั้นลมหายใจขาดหายไปนี่มันการเป็นการยืนยันได้เลยว่าจิตเราอยู่โดยโดยโดเดี่ยวได้โดยที่ไม่ต้องมีกายไม่ต้องมีกายตามปกตินั่นน่ะจิตในขณะนี้น่ะอาศัยกายเป็นถรอาศัยกายเป็นรรำ แต่สามจิตก็สามารถไปโดยโดดเดี่ยวได้ไม่ต้องแบกท่ำไปจิตไปได้ทั่วไปได้ทั่วสารพัสทิศไม่ต้องมีท่าไปเพราะนั้นไม่มีขันหา้าจิตก็อยู่ได้อยู่โดยโดดเดียวได้จิตที่เป็นอิสระจิตที่สะอาดจิตที่บริสุทธิ์เพราะนั้นในขณะที่สมาธิเราทำจิตถึงสมาธิถึงที่สุดลมหายใจขาดหายไปเนี่ยในช่วงเนี้ จิตมันสะอาดจิตมันบริสุทธิ์เพราะกิเลสมันทํางานไม่ได้เลยมันแพ้อํานาจสมาธิและขณะ น, นี้จิตของเราเข้าสู่แดนพระนิพพานแต่เป็นพระนิพพานชั่วคราวถาล่มให้ใจาขาดหายไปเนี่ยนะจิตเข้าสู่แดนพระ น, นิพพานพระนิพพานชั่วคราวพระพุทธเจ้าเรียกว่าตะทางฆานิพพานตทางคนิพพานแปลว่านิพพานชั่วคราว เป็นนิพพานแบบไหนเป็นนิพพานแบบวิขขัมพะณนิพพานนิพพานโดยกดขีกิเลสไว้ด้วยอํานาจสมาธิเรียกว่าวิขขัมพะณนิพพานเป็นพระนิพพานชั่วคราวนั่นจิตเราสัมผัสพระนิพพานนะเมื่อลมหายใจขาดหายไปนั่นนะเป็นนิพพานชั่วคราวเป็นนิพพานชั่วคราวเราจะเห็นว่าโอ้ไม่ขนาดพระนิพพานชั่วคราว ขณะที่จิตเราสงบถึงขั้นนี้ได้เนี่ยนะมันเป็นสุขมากๆมันเป็นสุขมากๆเลยว่าท่านนิพพานจริงมันจะเป็นสุขขนาดไหนเพราะนี่แหละพระเจ้าจริงให้เราฝึกในขั้นแรกแยกรูปแยกนามให้เกิดปัญญาแยกรูปแยกนามให้ได้นามรูปะปริเฉ ท, ทยานยานที่หนึ่งเกิดได้ เกิดปัญญาได้จากการเข้าไปพิจารณาหลังจากที่จิตถอนออกจากสมาธิแล้วเพ่งดูรูปดูนามของลมหายใจเข้าออกดูรูปดูนามของขันท่าลมหายใจเข้าออกนี่แค่ยานที่หนึ่งมีใครสงสัยจะถามไหมต้องพิจารณาหลังจากจิตถอนออกจากสมาธิแล้ว พิจารณาดูลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูให้มันเห็นเป็นรูปเป็นนามออกรูปก็คือตัวลมมันเป็นรูปความรู้สึกเป็นนามความรู้สึกว่านี้ลมหายใจเข้าความรู้สึกว่านี้ลมหายใจออกนี่เป็นนามนี่เป็นนา ม, มแล้วเมื่อรู้รูปรู้นามแล้วมายานที่สองพระพุทธเจ้าให้เรา สังเกตอ่ะโยมเด้อจ้ะถูกต้องรูปนามเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันฮะนั่นแหละมันดับนั่นแหะมันดับพร้อมกันดับพร้อมกันรูปนามเกิดพอลมประทับที่จมูกรูปนามเกิดขึ้นพร้อมกัน พอลมเข้ามาสุดรูปนามดับรูปนามดับพร้อมกันเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันถูกต้องแล้วอันนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวกาลังหรือ ว, ว่าเพราะยานที่สองเนี่ยเอาให้เห็นรูปนามเกิดอย่างเดียวยานที่สามให้เห็นรูปนามดับอย่างเดียวนะทีนี้พอ เห็นรูปนามเกิดยานที่สองเห็นรูปนามดับยามที่สามเราบอกได้ไหมว่ารูปนามนี้เป็นอนิจจังเราเห็นรูปนามเกิดเกิดขึ้นเกิดนั้นแน่นอนต้องตั้งอยู่ด้วยแล้วถึงจะดับเราเห็นรูปนามเกิดเราเห็นรูปนามดับเราบอกได้ไหมว่ารูปนามนี้เป็นอนิจจัง อนิจจังคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นรูปนามเกิดเราเห็นรูปนามดับเราบอกได้เลยว่ารูปนามเป็นอนิจจังใช่ไหมโยมถ้าเราเห็นมันเกิดเราเห็นมันดับเราบอกได้ไหมว่ารูปนามนี้เป็นอนิจจังเพราะมันไม่เที่ยงนะดับถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว ดับเกิดพร้อมกันโยมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรูปนามนี้เกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันมันเป็นอัญมันยปัจจัยเสริมให้อิงอาศัยซึ่งกันและกันเกิดรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปเอารูปเอาเข้ามาลูกสาวเอายามาให้ เ <c oughs> อาเอาให้ให้ใหออเอาอย่าะยาประจําเดือนเบาหวานหัวใจความดันอ้าวนี่นะเป็นเป็นขบวน พอเบาหวานนาหน้าไงแล้วก็ทิตามมานั่ น, นเป็นขบวนเป็นขบวนลูกก็ซื้อให้ทีนก็สี่เดือนสีเนส่เดือนฮะก็ไปไปจเจาะเลือดไปจเจาะเลือดไปจเจาะเลือดไปตรวจทีนี้ยาเราก็ซื้อเองถ้าเราซื้ อ, อยาโรงพยาบาลมันแพง ถ้าต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลอเอกชนเบิกไม่ได้ใช่ไหมเบิกไม่ได้ทีนี้ก็ขี <c oughs> เ้เกียจไปโรงพยาบาลรัฐบาล <c oughs> <c oughs> นี่ก็ตามปุติก็ไปที่วิชัยยุทธไปที่วิชา ย, ยุทธก็ยยเลยเบิกไม่ได้ก็เลย ซื้อข้างนอกมันมันถูกถูกกว่าฮะเนี่ยอ้าใช่ถ้าโรงพยาบาลรัดแล้วก็ถูกที่โรงพยาบาลรัดมันมันไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสะดวกก็เลยซื้อข้างนอกเนี่ย กเขาื้อให้ข้างนอกนี่ก็เลยไม่ได้เบิก็แล้วนี่ก็เลยเขาไม่ได้เบิกแต่แต่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เบิกมีสิทธิ์เบิกเขารับอำนาจอำนานก่อนสถาบันอืม เอาตกลงโยมจงเข้าใจไหมถ้าเราเห็นรูปนามเกิดเห็นรูปนามดับเราบอกได้ไหมว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมถ้าเราเห็นมันเกิดมันดับประจักษ์ชัดต่อหน้าเลยเห็นมันเกิดเพราะนั้นผู้เจ้าให้แยกให้เราก่อนไงยานที่สองให้เราดูเกิดอย่างเดียวอย่าเพิ่งไปห่วงเรื่องดับให้มันดูมันเกิดอย่างเดียวมันเกิดอย่างไรรูปนามมันเกิดอย่างไร รูปนามมันเกิดอย่างไรเราพอมายานที่สองให้ดูดับอย่างเดียวมันดับอย่างไรให้ชัดเลยท่านแยกให้เราดูแต่ละครั้งให้ชัดเลยเมื่อเราเห็นรูปนามเกิดในยานที่สองชัดเห็นรูปนามดับในยานที่สามชัดท่านเราบอกได้เลยว่ารูปนามไม่เที่ยง คือมันต้องทั้งอย่างรู้อย่างเห็นคือญาณทัศนะเห็นด้วยตาในไม่ใช่เห็นด้วยตานอกนะโยมเห็นด้วยตาในไม่ใช่เห็นด้วยตานอกเห็นด้วยตาในไม่ใช่เห็นด้วยตานอกนะท่านใช้คำว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นแต่ว่าเห็นด้วยตาในเห็นด้วยตาในเห็นด้วยความรู้สึกนั่นแหละเห็นด้วยสติโยมเห็นด้วยสติ เห็นด้วยสติเราจับเอาถึงเอาสติไปจับไงโยมเอาสติไปจับที่รูปที่นามเอาสติไปจับคือจะรู้ว่าเขาดับรู้ว่าเขาเกิดรู้ว่าเขาดับต้องค่อยๆพิจารณาไปโยมเห็นด้วยตาไหนเห็นด้วยตาไหนเกิดญาณทัศนะเห็นด้วยตาไหนเป็นั่นนี่แหละถ้าหากว่าในญานที่สองเนี่ยถ้าเรา ไปเฝ้าดูเห็นรูปนามมันเกิดแล้วยานที่สามเห็นรูปนามมันดับเราบอกได้เลยว่ารูปนามนี้มันไม่เที่ยงรูปนามนี้พอเราเห็นไม่เที่ยงก็ต้องบอกต่อไปได้เลยว่ารูปนามนี้เป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยไปตลอดเวลาที่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับนั่นแหะมันเปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยตลอดเวลาเมื <Gaga. S 1> ม่อเราเห็นรูปนามเป็นทุกข์ เราบอกได้เลยว่ารูปนามนี้เป็นอะนัตตาเพราะมันบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ให้มันเกิดได้ไหมไม่ให้มันดับได้มไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวตนของใครๆถ้าเป็นตัวตนของใครๆเป็นตัวตนของเราเราต้องบังคับบัญชามันได้นี่เราบังคับบัญชามันไม่ได้เนี่ยอยากอาตมาอยากจะให้เคลียร์ตรงนี้พยายามต้องค่อยๆพิจารณา นั่นแหะต้องเอาจิตที่ถอนออกจากสมาธิมาพิจารณามาพิจารณาทีนี้ในรูปนามนยานที่สองที่บอกว่าให้สังเกตการเกิดขึ้นของรูปของนามรูปนามอิงอาศัยซึ่งกันใลการเกิดรูปนามอิงอาศัยซึ่งกันแลการเกิด อ, อ้าวอาตมาพูดอีกทีหนึ่งเข้าใจว่ายังโยมอีกหลายคนยังมองไม่เห็นจุดนี้ ทันทีที่ลมประทะาที่ปลายจมูกลมเป็นรูปใช่ไหมลมเป็นรูปรู้สึกว่าลมเข้ารู้สึกว่าลมเข้าเป็นนามใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวลมที่เป็นธาตุตัวลมที่เป็นธาตุตัวลมที่เป็นธาตุก่อนนะโยมตัวลมที่เป็นธาตุนะธาตุลมนะมาประท่ที่ปลายจมูกลมเป็นรูปธาตุลมเป็นรูป ประท่าที่ปลายจมูกรู้ว่าลมหายใจป ร, ประทะเข้ารู้สึกอันนั้นเป็นนามรู้สึกอันนั้นเป็นนาม ท, นนนาทีนี้รูปในขันห้าทีนะี้รูปในขันห้านะโยมรูปในขันห้ารูปในขันห้าเกิดขึ้นที่เรารู้ว่ามันเป็นลมอะ่ะใครรู้จิตรู้เมื่อกี้ใช่ไหมจิตเป็นนามใช่ไหมรู้ว่าลมเข้า รมเข้าเป็นรูปอันนี้รูปในขันห้าเกิดโดยที่นามนามรู้นั้นเป็นตัวปัจจัยนามรู้เป็นปัจจัยให้รูปเกิดเอาอย่างนี้อาจจะมองเห็นชัดหน่อยทางตั้งตาเอาอันนี้เป็นสีมากระทบตาสีอันนี้เป็นธาตุ เป็นรูปมากระทบตารู้ว่าเห็นจิตรู้ว่าเห็นเพราะนั้นรูปอันนี้รูปธาตุอันนี้เป็นปัจจัยให้เกิดนามเห็นใช่ไหมต่อไปนี้นามเห็นอะไรเห็นรูปรูปในที่นี้รูปขันห้าไม่ใช่รูปวัตถุอันนี้เป็นรูปในขันห้าที่รู้ว่าเห็นเป็นรูป รูปในที่นี้หรือรูปในขันห้าเพราะฉะนั้นนามเห็นอันนี้เป็นปัจจัยให้เกิดรูปในขันห้าเพราะฉะนั้นนี่คือฉายหนังอย่างช้าๆจริงๆแล้วทั้งรูปทั้งนามเกิดขึ้นพร้อมกันใช่ไหมเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันเกิดพร้อมกัน แต่นี่อาตมาฉายหนังช้าๆว่าการเกิดนามการเกิดรูปพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นปัใจจัยให้เกิดซึ่งกันและกันปัจจยะปริกหายานใช่ไหมยานที่สองปัจจยะปริกหายานทั้งรูปทั้งนามเป็นปัใจจัยให้เกิดซึ่งกันและกันที่เรียกว่าท่านเรียกว่าอัญญมัยจะปัจัยเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันเกิด แล้วจริงๆก็คือเกิดพร้อมกันทั้งรูปทั้งนามนี่เกิดพร้อมในขณะเดียวกันรูปครั้งแรกเป็นรูปวัตถุเป็นสีมากระทบตาเรารู้สึกว่าเห็นทันทีใช่ไหมรู้สึกว่าเห็นทันทีเพราะฉะนั้นรูปวัตถุอันนี้เป็นปัจจัยให้เกิดนามเห็นนามเห็นอะไรเห็นรูป รูปอันนี้รูปตันหลังนี่รูปขันห้าเกิดรูปขันห้าพ่อเข้าใจไหม รูปในสีของวัตถุนี้มันก็ยังดำรงข้างมันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่รูปในขันห้ารูปในขันห้าเป็นอย่างไรรูปในขันห้าเป็นยังไงเกิดขึ้นแล้วดับทันทีใช่ไ้ยมันต่างกันใช่ไหมนี่ไงรูปวัตถุมันยังคงมียังคงมีขอางมันอยู่แต่รูปในขันห้าที่เกิดขึ้นทางตาเนี่ย ดับทันทีใช่ไหมรูปในขันท่าขันท่าเกิดแล้วดับทันทีใช่ไหม ต, ต่างกันไหมต่างกันไหมรูปในขันท่านะอา้าวเป็นอายตนะภายนอกเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เป็นอานอยตนะภายนอกมากระทบตาอายตนะภายในจิตรู้ว่าเห็น เพราะนั้นรูปอันนี้เป็นปัจจัยให้เกิดนามเห็นนี่เป็นนามใช่ไหมเห็นเป็นนามเห็นอะไรเห็นรูปรูปในหลังนี้เป็นรูปในขันห้าแล้วเห็นแล้วดับทันทีใช่ไหมทั้งหมดเลยขันห้าทั้งหมดเลยดับทันทีใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นลมหายใจ รูปนามลมหายใจเข้าออกก็เหมือนกันใช่ไหมนามลมหายใจเข้าออกเป็นธาตุลมเป็นธาตุมาประทะจมูกรู้ว่าลมหายใจเข้าไอที่รู้ลมหายใจเข้านี่เป็นนามจิตรู้จิตรู้อันนี้เป็นนามรู้อะไรรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจเป็นรูปรู้รูปรูปเกิดขึ้นรูปในขันห้ารูปในขันห้านะ เพราะนั้นรูปนามในขันธ์ห้ามันเกิดแล้วมันดับทันทีมันเกิดแล้วมันดับทันทีดับอย่างรวดเร็วแต่ว่าในตอนแรกเนะี่ยอาตมาให้พิจารณาความเกิดความเกิดอย่างดับอย่างช้าๆก่อนใช่ไหมออพอลมหายใจเข้านี่รู้ว่ารูปนามเกิดขันธ์ห้าเกิดอา้าวแล้วเข้าตั้งอยู่ เราไปเข้าสุดที่ถุงลมช่องท้องเหนือสะดือสองนิ้วอันนี้ดับอันนี้ดับอันนี้เกิดดับอย่างช้าช้าแต่จริงจริงนั้นถามว่ามันเกิดดับอย่างช้าช้าอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอรอทางใช่หมเพราะว่าไอ้ขันห่านี่มันเกิดแล้วมันดับทันที ไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ตั้งอยู่นานมันเกิดแล้วมันดับแล้วก็ลมก็มันก็ประทับกับไอ้หลอดลมมาตลอดเป็นกายใช่ไหมหลอดลมนั้นเป็นกายประทะมาตลอดกว่าจะมาถึงไอ้ช่องท้องเหนือสะดือสองนิ้วเนี่ยรูปนามขันห้าเนี่ยเกิดดับเกิดดับเป็นแสนครั้งไม่ใช่ครั้งเดียว ได้ได้ได้ได้ได้ได้ใช่ใช่ใช่ใช่ตามตามเวลาที่มันเดินทางผ่านใช่แน่นอนใช่ใช่ใช่ใช่อาจมาเอาแค่แสนก่อนเอาตมากลัวจะตกใจว่าเป็นล้านจริงจใช่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงั้นนี่ไง อย่าลืมว่าจิตของเราก็เกิดดับในอัตราความเร็วเท่ากันแต่ว่ามันขั้งแรกมันอตอนแรกๆมันอาจจะไม่เท่ากันทันทีมันจึงมองไม่เห็นแต่ถ้าหากว่ามันเกิดจิตของเรากับไอ้รูปนามขัน5นี่มันเกิดดับด้วยอัตราความเร็วเท่ากันที่อาตมาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับรถยนต์สองคัน